อะไรบ้างคําตอบที่ได้คงจะแตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าเนี่ยเป็นอยู่ในไวัยไหนเพศหญิง เ, เพศชายหรือว่ามีอาชีพอะไรคนที่เป็นชาวนาชาวไร่ถึงที่ทําก็ย่อมแตกต่างไปจากคนที่เป็นผู้จัดการหรือเป็นครูเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบมันก็คงจะแตกต่างกันไปมากมายแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะที่เหมือนกันนะซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ก็คือ วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยผู้คนทั้งหลายเนี่ยใช้เวลาหมดไปกับความฟุ้งซ่านใจลอยหลายไปตามความคิดอาจจะเรียกว่าครึ่งวันค่ําวันหรือทั้งวันเลยก็ได้มยงในแง่นี้เนี่ยผู้คนทั้งหลายก็วันวันหนึ่งก็ทําคล้ายๆกันไม่ว่าจะมีอาชีพแตกต่างกันเพนใดที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้พูดลอยลอยนะ เมื่อสักสิบปีก่อนเนี่ยมันมีนัก ว, วิชาการสองค น, เ, นเขาอยากจะรู้ว่าเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยผู้คนทำอะไรกันบ้างแล้วก็ทำการสอบถามค น, นัถึง5้าพันคนในแปดสิบสามประเทศที่มีอาชีพนะแตกต่างกันแปดสิบหกอาชีพ แล้วเขาไม่ได้สอบถามแบบไปกรอกแบบสอบถานนะไปให้ให้กรอกแบบสอบถามแต่ว่าเขาใช้แอปนะแอปทางโทรศัพท์ให้คน 5,000 ันคนนะซึ่งมีโทรศัพท์มือถือนะติดตั้งแอปนะที่ก็าทำพิเศษและแอปนี้เนะี่ยมันก็จะส่งคำถามแบบเดาสุ่มนะคือไม่บอกว่าเวลาไหนมันจะมีคำถาม ถามเจ้าของโทรศัพท์นะว่าตอนนี้กำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอย่างไรแล้วต้งห้าขนค้นนี่ก็ตอบคาถามนะไม่ต้องเขียนนะพูดใส่โทรศัพท์เนี่ยแล้วก็มันมันก็จะมีการจดบันทึกเอาไว้ว่า กำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอะไรล้วคนหนึ่งเนี่ยนะก็ตอบคำถามแบบนี้เนี่ยก็คงจะหลายร้อยครั้งนะเพราะว่ามกินเวลาคงเป็นเดือนแหละบอเขาได้คำตอบมาเป็นล้านคำตอบเลยนะจากคนห้าพันคนเนี่ย กสิทธิ์้คนพบก็คือว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยในช่วงเวลาที่ตื่นนะผู้คนใช้เวลาเกือบครึ่งนะของช่วงเวลาที่ตื่นเนี่ยไปกับการคิดถึงเรื่องต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับ หรือที่ไม่ใช่งานที่กำลังทำอยู่นะคราบว่าอาจจะขับรถอาจจะกินข้าวแต่ว่ามันไปคิดเรื่องอื่นนะใจไม่ได้อยู่กับการกินข้าวการขับรถซึ่งอันนี้นี่ก็เราคงจะสังเกตได้ว่าเป็นกันอยู่บ่อยๆเช่นเวลาเราตื่นนอนเวลาเราอาบน้ำเวลาถูฟันเวลากินข้าว ใจเราก็ไม่ได้อยู่กับการอาบน้ำถูความจริงข้าแต่ว่าคิดนั่นคิดนี่แล้วเราก็อาจจะคิดว่ามันก็คงเพียงแล้วคงใจลอยเพียงช่วงเวลาสั้นๆหรือเวลาเราทํากิจบางอย่างไม่กี่อย่างแต่ที่จริงแม้ทั้งเวลาเราทํางานเนี่ยนะทํางานแท้ใช้เนี่ยใจก็ไม่ได้อยู่กับงานที่ทํา ใจมันรอนคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเข้าก็สุนมาวันเนี่ยเกือบทั้งวันนะหรือว่าเกือบครึ่งวันทีเดียวนะที่ตื่นนะที่คนเราเนี่ยใช้เวลาหมดไปกับการคิดเรื่องสารพันที่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังทำอยู่รวมทั้ง เรื่องงานเรื่องการด้วยทำงานทำการอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้คิดถึงงานการที่กำลังทำในเวลานั้นแต่คิดอย่างอื่นคิดเรื่องอื่นแทนอาจจะคิดถึงลูกอาจจะคิดถึงการบ้านการเมืองอาจจะวางแผนการไปเที่ยวนะสารพัดที่จริงเนี่ยที่เขาบอกว่าเกือบครึ่งเนี่ยนะ ที่ตื่นเนี่ยหมดไปกับการคิดเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่การงานนี้ตัวไปก็อาจจะน้อยนะมันอาจจะไม่ใช้เกือบครึ่งอะ่ะมันอาจจะเรียกว่าค่อนเลยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เฉลียวใจหรือไม่ได้คิดเลยนะถ้าถามว่าคิดอะไรเนี่ยมันก็คงจะ เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ปัจจุบันคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตแล้วพอคิดแล้วเนี่ยนะมันก็คงจะลงเอ่ยได้ความเครียดความวิตกกังวลความโศก ค, ความเศร้าในการศึกษาวิจัยชีตนี้มันก็ชี้ให้เห็นนะว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะมีอาชีพใดเนี่ย มันก็ใช้เวลาหมดไปความหลงเยอะหรือหมดไปความไม่รู้สึกตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะว่าถ้าใจเราอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทาอยู่เนี่ยมัาคงจะมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ระดับหนึ่งจะเรียกว่าคนทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเลยก็ว่าได้ วทั้งไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับสิ่งที่กําลังทำไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยหรือเป็นเรื่องงานการเพราะว่ามันใจไปคิดเรื่องอื่นแทนแล้วไม่ใจใจไม่ใช่แค่ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ทําในเวลานั้น จะรวมไถึงว่าใจไม่ได้อยู่กับคนที่อยู่ข้างหน้าเราหรือคนที่เรากำลังเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือแม่แต่คนใกล้ชิดเช่นลูกหลานพ่อแม่คนเราเพราะขณะที่อยู่กับเขากำลังเคลียร์เขาหรือขาที่กำลังฟังเขาแต่ว่าจริงใจไม่ได้ฟังใจมันก็ลอยคิดโน่นคิดนี่ไป อย่างได้น้อยก็เกือบครึ่งนะของเวลาที่ได้อยู่กับคนข้างหน้าซึ่งหมอนแงน่ๆนี่มันก็เท่ากับว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่หรือแทาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีชีวิตเต็มร้อยเท่าไหร่เลยเพราะถ้ามีชีวิตเต็มร้อยเนี่ยใจยมันก็ต้องอยู่กับเนื่อกับตัวเป็นส่วนใหญ่ อยู่กับสิ่งที่กำลังทำหรือว่าอยู่กับคนที่กำลังเกี่ยวข้องด้วยถาม ว, ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะเปผลประการนึงคือว่าเป็นเพราะใจคนเราเนี่ยธรรมชาติของใจเราเนี่ยมันก็ชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วมันไม่ค่อยได้อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่ มันไม่ค่อยได้อยู่กับสิ่งที่กําลังทำในการมีสมาธิกับสิ่งที่กําลังทําจึงเป็นเรื่องยากจริงหลายอย่างก็ไม่ต้องใช้สมาธิมากนะเช่นเวลากินข้าวเนะี่แต่ว่าใจเนี่ยมันค่อไม่ค่อยได้อยู่กับการกินข้าวมันก็คิดโน่นคิดนี่แล้วยิ่งสมัยนี้เนี่ยนะมันมีตัว กระตุ้นให้ใจเป็นอย่างนั้นมากขึ้นคือมีสิ่งร่ำเร้าย่ำยวนหรือว่าสิ่งที่มารบ ก, กวนสมาธิรบ ก, กวนสมาธิไม่จิตเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทําำสิ่งร่ำเร้าย่ำยวนเนี่ยอมันชวนให้ใจลอยคิดนั่นคิดนี่เช่น เป็นโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องสำอางเกี่ยวกับเสื้อผ้าเห็นแล้วก็ติดตาติดใจก็เก็บเอามาคิดใน ต, ตอนที่เห็นอาจจะเห็นจากป้ายโฆษณาหรือเห็นจากโทรศัพท์มือถือเห็น แ, แล้วก็เก็บมาปรุงแต่งขครที่กินข้าวใครที่กาลังอาบน้ำหรือแม้กระทั่งขครที่กำลังทำงานก็คิดถึง ภาพที่เห็นสินค้าที่เขาโฆษณาอยากได้อยากมีอันนี้ก็เรียกว่ามันมีสิ่งรอๆย่าหยวนแล้วมันก็ไม่ใช่แค่หยวนนะมันมีสิ่งที่ยั่วยุยั่ยวยุให้โปรดยั่วยุให้เกลียด ย, ยั่วยุให้วิตกกังวลเห็นแล้วมันก็เก็บเอามาคิดต่อเอามาปรุงต่อ เช่นดูข่าวอ่านข่าวกากโทรทัศน์จากมือถือมันก็เก็บมาปรุงต่อด้วยความเครียดแคได้วยความโกรธด้วยความโมโหทั้งที่ตอนนั้นอาจจะกำลังขับรถอยู่หรือกาลังอยู่กับลูกหรือกำลังกินข้าวนะแต่ใจเนี่ยมันลอยคิดไปถึงเรื่องนานเรื่องนี้คือธรรมชาติของใจเนี่ยมันก็ มีแนวนมที่จะชอบทะลึ่งทไหลหลุดไปจากปัจจุบันอยู่แล้วยิ่งมีสิ่งกระตุ้นล่อเรายอดยั่วหรือยัวย่วยุอล้วเนี่ยมันยิ่งเตลิดเข้าไปใหญ่แล้วยิ่งขนาดนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีค้านิยมว่าเนี่ยคนเราเนี่ยควรจะทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นค่านิยมไปซะละ ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตที่ต้องเร่งรีบนะมันก็เลยต้องทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันแต่บางย่ามก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นเลย mm. เช่นกินข้าวไปด้วยกระดูโทรศัพท์มือถือไปด้วยอันนี้เรียกว่าทำหลายอย่างพร้อมกันซึ่งก็มีความเข้าใจว่าทำแบบนี้เนี่ยดูมันเท่มันทันสมยัยเป็นการใช้เวลาคุ้มค่า แต่มันก็ทำาให้ใจลอยมากขึ้นและทำให้ไม่มีสมาธิแล้เดี๋ยวนี้เขาก็พบนะว่ า, าการทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยมันไม่ได้ดีกับงานที่เราทำเลยเจนบางคนอาจจะทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็ แะ ไ, ไปตอบข้อความทางไลน์บ้างหรือไปดูข้อความทางโทรศัพท์มือถือบ้างเสร็จแล้วก็กลับมาทำงานหน้าคอมต่อหรือบางทีทำงานหน้าคอมมันมีงานหลายชิ้นแล้วเราคิดว่าการทำงานหลายชิ้นพร้อมกันเนี่ยนะมันจะเป็นการทุ่นเวลาทำให้งานมีประสิทธิภาพ แต่ว่าเดี๋ยวนี้พบแล้วว่านะว่าการทำางนี้เนี่ยมันมันไม่ได้มีผลดีทั้งกับงานที่เราทำแล้วก็กับจิตใจของเราเท่าไหร่ตอนนี้นักประสาทวิทยาเนี่ยเขาเขายืนยันแล้วนะว่าจิตใจคนเราเนี่ยมันทำงานได้ทีละอย่างนะอันนี้ชาวพูดเรารู้มานานแล้วสองพันกว่า พอแม่งกับปีแล้วนะว่าจิตของเรานี่มันรับรู้ได้ทีละอย่างแต่ว่าวิทยาศาสตร์พึ่งยืนยันนะว่าใช่จิตของเรารับรู้ได้ทีละอย่างเพราะฉะนั้นการที่เราทําหลายอย่างพร้อมกันมันเป็นไปไม่ได้แต่ที่เรารู้สึกว่าเราทํางานหลายอย่างพร้อมกันเพราะว่าจิตมันกระโดดไปกระโดดมาจากโทรศัพท์มือถือกระโดดมาทํางานที่หน้าคอม แต่เแล้วเราคิดว่ามันทํางานสองอย่างพร้อมกันแล้วคราวนี้ปัญหาคือว่าเวลาจิตของเราเนี่ยกระโดดจากโทรศัพท์มือถือมากลับมาที่งานเนี่ยมันใช้เวลานะกว่าเราจะมีสมาธิได้เท่าเดิมไอ ต, ตอนที่เราทํางานเนี่ยถ้าถ้าเราเราทํางานอย่างเดียวเลยเนี่ยจิตเราก็จะมีสมาธิต่อเนื่องแต่พอเราแวบไปดูโทรศัพท์มือถือ แล้วกลับมาที่งานหรือเราจะทำงานอยู่แล้วแว็บไปตอบอีเมลซึ่งไม่เกี่ยวกับ ง, งานตอบเสร็จก็แว็บกลับมาที่งานไอตอนที่กลับมาที่งานเนี่ยมันใช้เวลานะกว่าจะมีสมาธิเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการทำงานหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ทุ่นเวลาเลยมันทำให้เสียเวลามากขึ้น เพราะมันต้องใช้เวลาในการตั้งหลักต้องใช้เวลาเลปรากอบว่าคุณภาพของความใส่ใจก็จะไม่ดีเท่ากับตอนที่เรามีสมาธิต่อเนื่องโดยที่ไม่มีอะไรมาขัดจังหวะหรือไม่มีอะไรมาดึงความสนใจเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของการทุนเวลาก็ไม่ใช่และในแง่ของประสิทธิภาพของงานก็ไม่ดีเพราะว่า เราไม่ได้มีสมาธิอย่างต่อเนื่องแต่กรณีการที่คนเรามีค่านเดียวว่าเนี่ยมันต้องทำหลายๆอย่างพร้อมกันมันถึงจะดูเท่มันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่มีสมาธิกับอันใดอันหนึ่งอย่างแท้จริงอาจจะทำงานตัวอยู่หน้าคอมแต่ใจไม่รู้มันลอยไปไหนแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสาเหตุที่ทําให้คนทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าไม่มีชีวิตเต็มร้อยทั้งที่เรามักจะพูดว่าเนี่ยมีข้อสัาว่านี่ชีวิตเต็มร้อยต้องมีอย่างโน้นเศษอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันชีอิตคนเราเนี่มันทุกวันนี้เราไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงๆเท่าไหร่คนเราจะมีชีวิตอยู่จริงๆเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกตัว ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างต่อเนื่องความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันหมายความว่าเนี่ยเราเรารับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้ารวมทั้งรับรู้นะถึงงานที่กำลังทำอยู่ในเวลานั้นแล้วขณะเดียวกันก็ รับรู้ถึงความเป็นไปของกายด้วยว่ากายตอนนั้นเป็นอย่างไรปวดเมื่อยหรือว่าอยู่ในเอเรียบทใดได้ทํางั้นได้เนี่ยมันก็ต้องรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะถ้าไม่รู้ทันความคิดความคิดมันก็ดึงพานําพาใจเราหลุดออกเนื้อออกจากเนื้อจับตัวออกจากงานที่กําลังทําจึงไม่สามารถจะรับรู้ ว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าเราความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันคือการรู้ทั้งนอกและในนะรู้นอกและรู้ในรู้นอกคือรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็รู้ในคือรู้กายรู้ว่ากายกำลังเป็นไปอย่างไรกำลังทำอะไรอยู่ แล้วก็รู้ใจนะก็คือรู้ความสุนึกคิดรู้สึกตัวนี่มันต้องรู้นอกด้วยนะเช่นเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้นอกนะคือไม่รู้มีอะไรอยู่ข้างหน้านะเกิดมีกิ้งกือเดินผ่านทางจงกรมเนี่ยเราก็เผลอเหยียบได้นะแล้วก็มีหลายคนที่เผลอเหยียบสัตว์ที่มันเลื้อยสัตว์ตัวเล็กที่มันเลื้อย ผ่านทางจงกรมอาจจะรวมถึงมดด้วยเพราะใจตอนนั้นมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวใจอาจจะไปเพ่งที่เท้าอาจจะไปเพ่งที่ลมหายใจก็เลยไม่รู้ว่ามีมแมลงเดินผ่านทางจงกรมก็เลยเหยียบอย่างนี้เราไม่รู้สึกตัวนะไปเข้าใจว่ารู้สึกตัวเนี่ยคือรู้ ว่ากายทําอะไรแค่นั้นมันไม่พอซึ่งก็มาลงถึงว่าเวลารู้สึกตัวเนี่ยเวรู้สึกตัวเวลาเดินข้ามถนนเนี่ยเราต้องใช้ความรู้สึกตัวมากเลยนะถึง จ, จะเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ต้องรู้ว่ามีรถสวนมาไหมถนนว่างหรือเปล่า จะรู้แต่เพียงว่ากายทำอะไรรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยบรู้มือที่รู้มือที่ขยับเท้าที่เคยเยื้อนมันไม่พอมันต้องรู้ว่าถนนที่เราเดินเนี่ยมันมันโลกไมมปลอดภยัยไหมและการที่เราจะรู้นอกได้เนี่ยมันก็ต้องรู้รู้รู้ใน คือรู้ใจเลยนะว่าใจตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรใจลอยหรือเปล่าเพราะถ้าใจลอยกําลังคิดนั่นคิดนี่ซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะใจมันง่ายที่จะลอยไปนู่นไปนี่ขณะที่กําลังเดินข้ามถนนถ้าปล่อย ใ, ใจลอยเนี่ยเช่นจะคิดเรื่องงานขณะที่เดินข้ามถนนเนี่ยมันก็ไม่รู้หรอกนะว่าถนนโลง่งถนนปลอดภัยไหยคือถ้าไม่รู้ในมันก็ไม่รู้นอกนะ อย่างแจ่มชัดรู้นอกนี่มันมันไม่เหมือนกับส่งจิตออกนอกนะส่งจิตออกนอกเนี่ยมันแปลว่าใจนี่มันไปไหลลอยไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนอกตัวจนลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่จนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเช่นได้ยินเสียงนกร้องใจก็ไปอยู่ที่เสียงนั้นแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับว่า น, นกอะไรทำไม มาบินผ่านมาแถวนี้ครั้นี้ตอนนั้นเนี่ยกำลังเดินจงกลมอยู่ก็ได้แต่ว่าไม่รับรู้ว่ากําลังเดินจงกลมแล้วเพราะว่าใจมันไปอยู่ที่นกหรือเสียงนกหรืออาจจะเสียงมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียงมอเตอร์ไซค์ที่ดังแล้วก็กลดาคนขับมอเตอร์ไซค์ว่ามาส่งเสียงรบ ก, กวนอันนี้ก็เลยว่าไม่รู้ไหนไม่รู้ไหนมันก็เลยส่งจิตออกนอก แต่ถ้ารู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ส่งจิอเอานอกก็จริงนะแต่มันใจมันรอบรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าแต่แค่รู้เฉยๆนะไม่ได้ปรุงแต่งรู้นอกแล้วเนี่ยรู้ในด้วยคือรู้กายว่ากายกำลังทำอะไรอยู่เราก็รู้ว่าใจเนี่ยนะมมีความรู้สึกนึกคิดอะไรรู้แบบรู้ระวาง เพื่อให้ใจไม่ไหลแปรเด็ดไม่ลอยไปรนาคตตามอำนาจของความคิดนึกใจใจก็มีอยู่กับปัจจุบันนันถ้าเราท่ดได้เนี่ยก็เรียกว่าเรามีชีวิตอยู่จริงๆนะไม่ใช่มีชีวิตเพียงแค่ลมหายใจแต่ว่าใจไม่อยู่กันกับตัวจะเรียกว่า ใจเต็มร้อยก็ได้มีชีวิตเต็มร้อยมีชีวิตเต็มร้อยคือมีชีวิตด้วยความรู้สึกตัวรับรู้สิ่งที่อยู่ข้างหน้ารับรู้ใส่ใจคนที่กําลังพูดคุยอยู่ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะอย่างที่พูดตั้งแต่ต้นนะว่าคนเราเนี่ยมันใช้เวลาจํานวนไม่น้อยเลยนียจะเกือบครึ่งหรือว่าเกินครึ่ง ไปกับความคิดสารพัด ส, สารเพที่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนที่เรากำลังพูดคุยอยู่ในเวลานั้นอันนี้เป็นธรรมชาติของใจเราเนี่ยซึ่งเป็นกันทั่วโลกข้อดีมันก็มีแต่ข้อเสียมันก็เยอะ และเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งที่กระตุ้นให้ใจเราโน้มไปทางนั้นมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยต่อไปเราก็นอกจากไม่มีสติอยู่กับสิ่งที่ทาคนที่เราเกี่ยนข้องแล้วเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยความเครียดความวิตกกังวลเพราะเวลาคิดไปเรื่องอดีตก็ตามเรื่องอนาคตก็ตามเนี่ยมันมักจะตามได้วยความ โกรธความโมโหนะความรู้สึกผิดความวิตกกังวลนะความหงุดหงิดลคาคัญใจแล้วมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะมีชีวิตอย่างแท้จริงเลยเรียกว่าไม่สามารถจะมีชีวิตเต็มร้อยได้และสิ่งที่เราสิ่งดีๆที่เราอยากจะทำมันก็เลยทำไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นหรือ อาจจะไม่ได้ทำเลยก็ได้เพราะว่าใจมัวแต่ไหลลอยไปกับสิ่งอื่นเรียกว่าอยู่ในความหลงถ้าเราเรื่องแบบนี้มันต้องอาศัยการฝึกนะเราจึงจะสามารถรักษาใจให้มาอยู่กับตัวเองคือมาอยู่กับมามีความรู้สึกตัวอยู่กับเนื้อกับตัวได้ถ้าเราไม่ฝึกใจของเรามันก็มีแต่จะ เข้าวราเข้าพงไปเรื่อยๆนะแล้วก็หลงเข้าไปในโลกของความคิดและจมอยู่ในหลุมอารมณ์จนบางทีไม่สามารถจะฉุดใจออกมาได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ถ้าเราไม่ฝึกปล่อยใจไปตามสบายมันก็จะหลงเอ่ยด้วยความทุกข์หลงเอ่ยด้วยความหลง ไม่สามารถจะมีชีวิตเต็มร้อยได้อย่างแท้จริง